โครงการหลายโครงการที่ทำให้ชาวบ้านหลายอำเภอได้มีน้ำประปาใช้ไปช่วยเหลือแนะนำพระเนนที่ไปสอบนักธรรมทุกปีกิจวัตรประจาวันของท่านคือตื่นนอนเวลาสองนาฬิกาทาความเพียรบำเพ็ญภาวนาเดินจงกรมทําวัดสวดมนต์และออกบิณฑบาตเวลา7นาฬิกาฉันเสร็จบำเพ็ญภาวนาถึง12นาฬิกาพักผ่อนและบาเพ็ญเพียรต่อ 14-16 นาฬิกาหลังจากนั้นรับแขกกวาดลานวัดและทำงานอื่นๆ19นาฬกาอบรมพระเน22น22นาฬิกาจึงจำวัดพักพรจะเห็นได้ว่าท่านเป็นพระปฏิบัติจริงมีจารีวัดที่งดงามน่าเคารพและเป็นไปเพื่อการหลุดพ้นเท่านั้นเป็นพระที่ไม่สนใจลาบสักการะตอนแรกท่านตั้งใจอุปสมบทเป็นพระเมื่อ 25-26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 มรณภาพในวันที่27เมษายนพุทธศักราช2523สิริอายุรวม59ปีย่อความจากประวัติพระอาจารย์วันอุตโตมโอโดยพระปริยัติสารสุธี